بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط ال11 ويحتوي على سور الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت ننموت <تصفيق> اشعراء บทอัชอรอะห์เป็นบทมักกียะห์มี 227 องค์การบทนี้เริ่มด้วยเรื่องของอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาเพื่อเป็นทางนําแก่มนุษย์ทั้งมวลและเป็นโอสถขนาดพิเศษที่จะบําบัดโรคต่างๆของมนุษยชาติและกล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาจเวตมีหลักฐานอย่างชัดเจนโดยที่พวกเขาได้ขอสิ่งปาฏิหาริย์อื่นจากอัลกุรอาน เนื่องจากการดื้อรั้นและการโอหังบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาศาสนทูตที่อัลเลาะห์ทรงส่งเขาเหล่านั้นมาเพื่อชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์เริ่มด้วยเรื่องของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับฟิรอาวกษัตริย์ผู้โอหังและการโต้ตอบระหว่างบุคคลทั้งสองในเรื่องของพระเจ้าตลอดจนการที่อัลเลาะห์ทรงสนับสนุนนบีมูซาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง ซึ่งได้ลบล้างความเพทให้สูญสิ้นไปโดยได้นํามากล่าวไว้หลายต่อในเรื่องนี้และได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบทเรียนและข้อเตือนสติถึงความแตกต่างอย่างมากมายระหว่างการศรัทธาและการกดขี่ข่มเหงหลังจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและท่าทีของเค้าที่มีต่อชนชาติและบิดาของเค้าในการเคารพสักการะรูปปั้นและจเวตท่านได้แสดงออกซึ่งหลักฐานนั้นชัดเจน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 หลังจากที่ได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆของบรรดานบีเช่น นูห์, บูด, ซอเลห์, ลูดและซอไลและการกระทำของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อบรรดาศาสนทูตแล้วบทนี้ได้หวนกลับมากล่าวถึงเรื่องของคัมภีร์อันมีเกียรติเป็นการให้ความสําคัญของคัมภีร์และกล่าวถึงที่มาของคัมภีร์ว่าและแท้จริงมันเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก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 seen mee tilka ayatul kitabil nabeen law nee kue ong kan thang lai khong khampee an chat chaeng la allaka baqi'un nafsaka an la yakoonu mu'minin wang thee chao muhammad at pen phu tham lai chiwit khong chao เพราะพวกเขาไม่ศรัทธา إِنْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ หากเราประสงค์เราจะให้มีสัญญาณหนึ่งจากฟ้าฟ้าลงมาอย่างพวกเขาแล้วคอของพวกเขาก็ยอมก้มลงต่อมัน وَمَا يَأْتِيهِمْ ذِكْرٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ لاไม่มีข้อตักเตือนใหม่อันใดจากพระผู้ทรงกรุณาประทานลงมา เว้นแต่พวกเขาจะหันหลังให้กับมัน فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ แล้วความจริงพวกเขาได้ปฏิเสธดังนั้นข่าวคราวที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยมันนั้น ก็จะมาอย่างพวกเขาอะวะลัมยะรุอิลัลอัรฎิคัมอันบัตนาฟิฮามินคุลลีซอจญิคารีมพวกเขาไม่ได้มองไปยังแผ่นดินดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้หมันงอกเงยออกมาจากทุกชนิดที่ดีมีประโยชน์อินนะฟิซาลิกะลายะตันวะมากานอักตารุฮุม เหตุการณ์นี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเค้าส่วนมากไม่ศรัทธาว่าอินนะร็อบบะกะละฮัวลอะซีซอรรอฮีมละได้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอวะอิซนาดะร็อบบุกะมูซาอะลีอ์ติลเกามอดดอรีมีนเกามฟิรอะอูนอะลายัตตะกูนละจงรำลึกถึงเมื่อพระอภิบาล ของเจ้าทรงเรียกมูซาว่าจงไปยังกลุ่มชนผู้อาธรรมคือกลุ่มชนของฟิรเอานพวกเขาไม่ยำเกรงดอกหรืออัลลอฮฺร็อบบีอินนีอะคอฟอะนยุกัซซิบูนเขามูซากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังจ้ะ وَيضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا هَارُونَ لَوَأُكُهُ مِنْ شَنَّ جَأْئُتْ وَلَأَلِثُ كُونْ دَنْ نَنْسْ فُرُونْ لَبُهَاوْ مِيْ كُهْ كَاوْ لَكَنْ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 ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรเออแล้วจงกล่าวว่าเราเป็นศาสนทูตของพระเจ้าแห่ง 3 โลกอันอัลซิลมาอะนาบะนิอิสราอิลแล้วขอให้ส่งวงวานของอิสราเอลไปพร้อมกับเราเถอะอะละอะลัมร็อบบิกฟีนาวะลีดันวะละบิตฟีนามินอุมริกซินีนเขาฟิรเออกล่าวว่าเราไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าขณะเป็นเด็กอยู่กับเราหรอกหรือ และเจ้าได้อยู่กับเราหลายปีในช่วงชีวิตของเจ้า